สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรคะ่ะรายการสันนีสนทนาที่ท่านกำลังฟังตั้งแต่นาทีนี้เรื่อยไปจนกระทั่งอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 แล้วก็สถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะหลายท่านที่อาจจะไปพักผ่อนช่วงปีใหม่พอเปิดมาฟังอีกทีแปลกใจว่าลักษณะของรายการเปลี่ยนไป ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรในทางที่ทำให้รายการผิดแผกไปจากเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมีการทำให้รายการเข้มข้นด้วยเนื้ อ, อาหาของธรรมะมากขึ้นแล้วก็มีการปฏิบัติที่จะทำให้ท่านฟังได้ทําตามกันไปซึ่งปกติแล้วการปฏิบัติผ่านอากาศสอนผ่านทางวิทยุเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีใครเขาทากันนะคะแต่เราอยากจะให้ท่านฟังนั้นได้ประโยชน์เต็มที่ในการฟังรายการนี้ค่ะจึงมีท่านมาร์คซึ่งเมื่อก่อนอยู่ตอนช่วงท้ายรายการอ่านพระสูตรเฉยๆเนี่ยมานําการปฏิบัติทำด้วยวันนี้ท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คชาคาวโรวัดนาปะพง์ลําลูกกาคลองสิบก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนําเสนอพระสูตรตลอดจนให้ท่านฟังได้ปฏิบัติไปด้วยค่ะนำ้ำมการกัะทั่งค่ ะ, จะเจริญพร วันนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมความเพียรเผาเกล็ด้วยการนั่งสมาธิกันอีกวันหนึ่งวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศอ่านพระสูตรอื่นๆที่นอกเหนือจากอานาปนานสติให้ฟังบ้างถ้าเราพร้อมแล้วเราก็มานั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตกำหนดฟังพระสูตรของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดถึงการเกิดขึ้นของพระองค์เอง ับภิกษุทั้งหลายไว้ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิ ช, ชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธทมออกสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิงทาที่ตถาคตสแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบรำงับเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับเย็นสนิทเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรู้ครบถ้วนเป็นธรรมที่ประกาศไว้โดยพระสุคตชนเหล่าใด ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว ทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงต่าโคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายฐาโคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษม กระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกําจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุ่งด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันกเกษมจากโยคะเถิดในการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ เราทำเพียนเาความเพียนเผากิเลสนี้มีการประพฤติปฏิบัติแบบง่ายๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนภาหิยะไว้โดยท่านได้ตรัสว่าภาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรส สัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์แล้วก็สักว่าได้รู้แจ้งเมื่อนั้นตัวเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหวา่าง แห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ดังนี้แหลแนะเพราะเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสได้รู้แจ้งทำารมลงด้วยใจแล้วก็สักว่าเห็นสักว่าได้กลิ่นสักว่าลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายต่างๆการทำเท่านี้ก็สามารถทำให้เรานั้นเดินทางไปสู่ที่สุ ด, สดแห่งทุกข์ได้ สัปดาหนี้เราก็ปฏิบัติมาสมควรแก่เวลาก็ค่อยๆผ่อนคลายอิริบทแล้วก็ลืมตาขึ้นมาได้ดีครพเท่านี้ค่ะท่านฟังคะและนี้เป็นส่วนเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพระสูตรจากพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิพรุ่งนี้มาติดตามกันอีกนะคะวันนี้นมัส ก, การขอบพระคุณค่ ะ, ะเริญพร